รัธรรมสมัยที่เรียนหนังสือต้องอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยพอตกเย็นของฤดูสอบก็จะสมหัวกันติวติวไปกินขนมไปไม่นานคนชอบนอนก็เริ่มจะเอาหนังสือเนี่ยหนุนหัวแล้วก็ออกคำสั่งเผด็จการกับคนติวว่าพูดไปเรื่อยๆนะจะฟัง เพื่อนบางคนก็เขกหัวเอาทีนึงเมื่อเจ้าตัวบอกว่าให้หนังสือมันออสโมซิสคือซึมเข้าไปในหัวอีกคนก็แย่ว่าเอาหัวทับหนังสือและเวลาอยู่ในห้องสอบอะ่ะแกจะเปิดหนังสือออกหรอแกต้องเอาหนังสือทับหัวสิถึงจะถูกทำมากก็เหมือนตำลาเรียน เราอาจจะมีปัญญาซื้อหนังสือธรรมะและก็เทปมาเก็บไว้จนเต็มห้องใหญ่เราอาจจะอ่านมันจนจบลุกเล่มแล้วแต่ถ้าไม่ได้เอามาใช้ในที่สุดมันก็จะกลับเข้าอยู่ในหนังสือตามเดิมเหมือนซื้อหนังสือแม่ครัวมาสิบเล่มแต่ไม่เคยซื้อของมาปรุงเลยก็ไม่มีวันทํากับข้าวเป็นแต่ถ้าจะลองทํำดูก็จะสนุกแม้จะแก้แก้กลงๆลงบ้างในตอนแรกไม่รู้ว่าตะหลิวเสียอยู่หนใด ชามเอาไว้ไหนหรือแม้แต่จะเอาหม้อข้าวมาดาวไข่เป็นปฐมก็ไม่เป็นไรท่านพุทธทาสสอนว่าทำงานให้สนุกเป็นสุขกับการทำงานการฝึกปฏิบัติธรรมก็เป็นงานอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทำอย่างสนุกได้ทีนี้เมื่อจะลงมือทำนอกจากจะอ่านตาําราจนรู้แล้วว่าแกงเขียวหวานมันมีเครื่องปรุงและวิธีปรุงอย่างไร แต่เราก็ต้องรู้จักวิธีใช้ครัวของเราก่อนเหมือนกันเช่ น, โ ค, กกนโครกัเอาไว้โคลหม้อเอาไว้ต้มน้ำถ้าเราไม่รู้วิธีใช้ธรรมะในลักษณะเดียวกันนี้เราก็จะพยายามเอาโคร ก, กไปต้มน้ำธรรมะมีมากมายหลายอย่างเหมือนกับข้าวและก็มีหลายระดับเหมือนกับข้าวอีกนั่นแหละมันเสิร์ฟให้กับคนกินหลายระดับและมันก็แก้ไขให้กับปัญหาหลายระดับด้วย ฉะนั้นเราก็เลือกให้เหมาะกับตัวเหมาะกับโอกาสและก็เหมาะกับปัญหาแต่ก็มีหลักอยู่ว่าอย่าตีความไปในทางเกเลเสาหลักหน้าประตูสองต้นก่อนที่จะก้าวเข้าไปในตัวบ้านก็คือ 1. เป็นสิ่งที่ดีไหมกับ2ผิดศีลหรือเปล่าบางเรื่องไม่ผิดศีลแต่ก็ไม่ดีก็สรุปว่าให้เซโนไปเสีย อย่าดันทุลังส่วนอะไรที่ว่าดีไม่ดีนั้นถ้าเปิดใจให้ตรงก็คงจะพอตัดสินได้เองถ้าสิ่งที่ไม่ดีดันทุลังว่าดีให้ได้อันนี้ก็ตัวใครตัวมันก็ทำไปตามใจอยากเพราะใครจะทำคนนั้นก็รับกรรมไปเองอยู่แล้วจึงไม่จําเป็นที่จะต้องมาเถียงกันเปรียบไปอีกอย่างให้เห็นง่าย ทำมะก็เหมือนกับร้านขายยาในร้านขายายาย่อมมียามากมายร้อยพันอย่างแต่ก็สำหรับร้อยพันโรคเหมือนกันตู้นี้ใส่ยาแก้ปวดท้องตู้นั้นใส่ยาแก้ปวดหัวถ้าเราปวดท้องเราก็เดินไปที่ตู้ยาแก้ปวดท้องตู้เดียวพอไปถึงเราก็จะพบการแตกแขนงย่อออกไปอีกจะมียาแก้ปวดท้องเพราะลมจุกเสียด เพาะลำไส้อักเสกบเพราะกระเพาะเป็นแผลเพราะอะไรแต่อะไรอีกหลายอย่างเราก็เลือกเอายาที่ตรงกับสาเหตุที่เราเป็นเอาไปกินแล้วก็จะหายแต่ถ้าเดินเข้าไปแล้วก็นั่งเฉยๆอยู่ในร้านยายิ้มแล้วก็คอยให้หายปวดท้องไปเองอันนี้ก็ต้องหาอีกตุ้งด้วยคือยาเช็คภะษา คนที่เลาะอยู่ตามขอบรั้วธรรมะบ้างลังเลใจสงสัยบ้างไม่รู้จักบ้างรู้จักนิดหน่อยเดินเรียบไปเรียบมาไม่กล้าเข้าและบางคนก็นำธรรมะไปใช้ได้จริงๆก็จะมีเรื่องราวต่างๆพอจะเอามาคุยกันให้เป็นตัวอย่างอันนี้ถ้าตามสับนักเรียนบางทีเขาเรียกป่ถมนิเทศแต่ถ้าเราจะเรียกว่าออเดิฟแหมรู้สึกจะไม่ค่อยพ้นเรื่องกินเลยนะคะ ก็จบช่วงนี้นะคะก็จะเป็นรูปเด็กหญิงขวัญกำลังนั่งอยู่ข้างๆตู้ยานะคะยิ้มแล้วก็ไม่ได้กินยาต่อไปก็จะเป็นเรื่องย่อยๆนะคะหัวข้อแรกนี้ก็คือชื่อว่า ธรรมะไม่ใช่ไม้กยสิทธิ์แท่งเดียวจิตรีไม่เข้าใจธรรมะเพราะไม่เคยเรียนหรือฟังธรรมมาก่อนเมื่อจะคุยกันเรื่องธรรมะก็จะมีปัญหาในการมองว่าธรรมะคืออะไรเธอถามว่าถ้าลกูกหนูกำลังหิวและไม่มีเงินจะซื้อข้าวธรรมะจะช่วยได้ยังไง อาจจะมีคนมองอย่างนี้บ้างเหมือนกันคือเห็นธรรมะเป็นไม้กายสิทธิ์แท่งหนึง่งพอมีปัญหาอะไรก็ไปเคาะปิ้งปิงปิง้ก็จะได้สิ่งที่ต้องการออกมาหิวข้าวเอาไม้ธรรมะไปเคาะก็จะมีข้าวแอบขึ้นมาบนจานอันนี้ก็ต้องไปหาแฮร์รี่พอตเตอร์พ่อมดน้อยจึงจะได้นะคะลิสาหัวลอขำเอนดูท่าทางของจิตตรี ซึ่งดูจะมั่นใจว่าธรรมะเนี่ยใช้การไม่ได้วิสาค่อยๆพูดว่าธรรมะไม่ได้ทําับข้าวให้กินแต่คนที่มีธรรมะในใจจะหาทางที่ถูกต้องเช่นไปขอข้าวหลวงพ่อที่วัดไปยืมข้อสารคนข้างบ้านหรือไปทํางานเฉพาะหน้าในวันนั้นน่ะแลกข้าวมาซึ่งมันจะไม่หมดตัวอย่า ง, างนี้นตลอดไปหรอก ธรรมะสอนให้คนขยนันมีใจต่อสู้บักบันอดทนก็ต้องพาตัวเองให้ดีขึ้นต่อไปจนได้แหละอย่าดูเหมือนกับว่าชีวิตคือวันนี้วันเดียวพรุ่งนี้ยังมีและอย่าคิดว่าอนาคตจะต้องเหมือนวันนี้ทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันจะต้องเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าเราทาดีก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ทิสาขอให้จิตตรีทำความเข้าใจกับภาพที่เล่าให้ฟังแล้วจึงเล่าต่อไปว่าส่วนคนที่ไม่มีธรรมะนะเขาก็จะไปขโมยของมากินแล้วก็ถูกตํารวจจับไปเข้าคุกแล้วก็ปล่อยให้ลูกเล็กๆกระหิวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่ที่บ้านคลานหาแม่แล้วก็ตกบันไดทำให้เหตุการณ์ดำเนินต่อไปอย่างเลวร้ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมนี่คือการทางานของธรรมะ ธ า, ารมไม่ใช่ไม้กายสิทธิ์แท่งเดียวที่เอาไว้เคาะนั่นเคาะนี่รู้ไหมก็จบตอนนี้นะคะก็เป็นรูปเด็กหญิงขวัญถือไม้กยสิทธิ์กำลังเคาะปิ้งปงอยู่ตอนต่อไปชื่อว่ารู้ให้จบใจความ วันวิสามีความใฝ่ฝันสูงในหน้าที่การงานเธอคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องล้าหลังธรรมะทาให้การพัฒนาหยุดยัง้งข้อสอนให้คนสันโดษคือพอใจในสิ่งที่มีอยู่เธอคิดว่าเมื่อคนเราพอใจอยู่กับตัวเองแล้วก็ย่อมจะไม่ดิ้นรนที่จะพัฒนาอะไรเธอร่ายยาวให้มารีวันฟังอย่างเข้มข้นเหมือนการประชุมสัมมนาที่ต้องทําอยู่เป็นปกติในงานของเธอ เมืวันฟังยังจบรายงานสัมมนาของวันวิสาเธอเกือบจะบิดขี้เกียจแล้วก็กลับบ้านแต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่าใน่ามกลางกระแสความคิดอันหนักแน่นของวันวิสานั่นเองอะ่ะที่วันวิสาก็ไม่มีความสุขเลยวันวิสาเครียดไม่ผ่อนคลายอะไรทำงานหนักอย่างไม่มีความสุขตรงนี้ก็มีรูปการ์ตูนขั้นนะคะ เป็นลูก ป, ประจันกำลังฮาวเมริวนจริงเปิดสัมนาขึ้นบ้างให้วันวิสาฟังคำว่าสันโดษนะไม่ได้หมายความว่าพอใจกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรต่อไปนอนลูกเดียวไม่ใช่อันนั้นมันสันดานคนสันโดษเขาพอใจในสิ่งที่เขาหามาได้โดยสุจริต ไม่ได้เบียดเบียนใครมาพอใจในสิ่งที่ได้เท่าที่ได้นั้นก่อนแล้วจึงพัฒนาไปสู่สิ่งที่อยากได้ต่อไปเป็นขั้นๆั้นไปเช่นนะพนักงานคนหนึ่งทำงานได้เงินเดือน 8,000 บาทเมื่อเข้ารับงานเขามีสันโดษคือพอใจในเงินเดือน 8,000 บาทมีความสุขกับเงินเดือนที่ได้รับมาจากแรงงานตัวเองโดยสุจริตนี่เขามีสุขสันโดษไปครั้งหนึ่งแล้วนะ วันวิสาขยับจะเถียงแต่มาลีวันห้ามไว้สิก่อนเธอพูดต่อไปว่าแต่พนัก ง, งานคนนี้ก็มีความทะเยอทะยานได้คือเขาอยากจะได้เงินเดือนหมื่นบาทดังนั้นเขาจึงขยันทำงานอีกข้อเสนอดีๆให้บริษัทช่วยงานทุกอย่างที่เข้ามาโดยไม่นิ่งดูดายมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงานและที่สำคัญเขาเอาใจใส่ รู้จริงในงานที่เขาทำในที่สุดเขาก็ได้เงินเดือนไปถึง 1,000 10, 0บาทตลอดเวลาเหล่านั้นน่ะเขามีความสุขในสันโดษของเขานะคือไม่ได้ร้อนรุ่มหน้างออารมณ์เสียกระแทกกระทันกับใครไม่ได้อิกช้าตาร้อนใครเพราะเหตุว่าตัวเองเงินเดือน 8,000 บาทแล้วก็ไม่พอใจในเงินเดือนนั้นเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่ถ้าคนไม่มีสันโดษก็จะเป็นและผลของการร้อนรนเหล่านั้นน่ะ ผลของการทำงานด้วยใจที่ไม่พอใจอย่างนั้นน่ะก็จะส่งผลให้เขาไม่ได้เงินเดือนขึ้นแล้วก็ไม่เป็นที่รักของใครๆ ใ, ใจแคบแล้วก็เป็นทุกข์ดังนั้นจะเห็นได้ว่าคนถือสันโดษก็มีพัฒนาการได้ถ้านักการเมืองมีสันโ ด, ดก็จะไม่มีการโกงกินถ้าข้าราชการมีสันโดษทุกคนก็จะไม่มีการคอรับชันถ้าประชาชนสันโ ด, ด ก็จะไม่มีขโมยถ้าคนเรามีสันโดษก็จะไม่มีเวลาไปอิจฉาตาร้อนใครไม่เอาเวลาไปขัดขาใครแต่ทำงานด้วยความพอใจในหน้าที่การงานของตนทำให้การงานทั้งมวลเดินหน้าไปได้เต็มที่ด้วยแรงผลักดันของความตั้งใจทำงานของคนที่พอใจในตัวเองแล้วคิดดูสิว่าประเทศอาจจะก้าวหน้าไปถึงไหน สันโดษคือพอใจในสิ่งที่หามาได้โดยสุจริตพอใจเท่าที่ได้มาและทำต่อไปเพื่อการได้สิ่งที่ดีขึ้นมาอีกตามกำลังของตนวันวิสาเอ๋ยมะลิวันเหนื่อยพระไม่เคยสัมมานามาก่อนอย่าเพิ่งตัดหัวกล้วยที่ยังไม่ได้ปลูกหล่อนไปศึกษาธรรมะเสียบ้างเถอะแล้วจะรู้ว่ากล้วยนะ่ะมันใช้งานได้ตลอดต้นเชียวไม่ใช่แค่ใบตอง แล้ววันนี้มาริวันก็ให้การบ้านวันวิสากลับไปทํารายงานสัมมานาเรื่องความสันโดษของต้นกล้วยที่เล่ามาเนี่ยก็เหมือนกับการทํากับข้าวอีกนั่นแหละคือรู้ธรรมะนั้นเน่ยก็ต้องรู้ที่ถูกต้องด้วยเหมือนทําต้มยําที่ว่าใส่น้ําปลาก่อนมะนาวหรือใส่มะนาวก่อนน้าปลาความจริงดูเผินๆก็น่าจะเหมือนกันนะในที่สุดก็ใส่ทั้งสองอย่างลงในหม้อนั่นแหละแต่มันไม่ใช่ เราต้องรู้ให้ถูกตลอดเส้นทางว่าทำไมถึงต้องใส่อะไรก่อนหลังอาหารมันถึงจะอร่อยก็จบตอนนี้นะคะรูปประกอบก็คือเด็กหญิงขวัญกำลังชิมอาหารนะคะใส่หมวกกุ๊กยาวๆด้วย บทต่อไปชื่อตอนว่ามีศรัทธาต่อธรรมะว่าใช้ได้จริงวันลากําำลังทุกหนักจิตใจมีสึกหลายด้านรุมเรา้าเขาซื้อหนังสือธรรมะมาหลายเล่มแต่อ่านแล้วก็มักจะหลับไปในสามหน้าแรกเพราะความที่เหน็ดเหนื่อยมาจากการทำงานจนสมองลา้า บางทีเขาอยากจะลางานให้สมกับชื่อวันลาเขาชื่อวันลาเพราะวันเกิดของเขาไม่ตรงกับวันหยุดไม่งั้นเขาอาจจะได้ชื่อเพราะเาะว่าวันระพีหรืออย่างน้อยก็วันศุกร์พ่อบอกว่าชื่อวันพฤหัสบดีมันยาวไปพ่อไม่ชอบเอาเป็นวันลาคือลาไปดูเขาเกิด ลาหันไปหาเทปเพราะแม่จะเหน็ดเหนื่อยแต่การฟังเทปก็เป็นเรื่องที่ทาได้ง่ายกว่าการอ่านหนังสือเขาตลุยฟังเทปทุกคืนเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการไม่นานนักเขาก็ฟังเทปตามหัวข้อที่อยากฟังได้มากมายการเลือกเทปทำให้ได้ใจความธรรมะที่ตรงกับปัญหาของความข้องใจของเขาเป็นการกินที่ตรงกับความหิว ทำให้วันลาประหยัดเวลาในการแสวงหาข้อธรรมลมได้มากบางคนสนุกกับการเที่ยวสวนธรรมไปเที่ยวสวนนั้นชมดอกไม้แล้วก็มาสวนนี้ชมไปเรื่อยๆแต่ไม่เคยทำที่ใจพอเดินไปชนทุกข์ก็สะดุดหกล้มเหมือนคนที่ไม่เคยไปไหนตรงนี้ก็เป็นรูปเด็กหญิงขวัญเดินก้มหน้าเศร้านะคะ วันลามีเวลาน้อยเพราะมีทุกข์มากจึงยังไม่ไปเที่ยวสวนธรรมใดเขามุ่งหวังจะฟังเทปที่เลือกมาและใช้มันตัดความทุกข์ใจโดยเฉียบพลันเพื่อเปลี่ยนเส้นทางของตัวเองให้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลบ้านสมเด็จเขาฟังเทปของหลวงพ่อพุทธทาสมีชื่อเรื่องดังนี้คือความวิเวกที่ท่านยังไม่รู้จักความเข้มแข็งของชีวิต สุญญาตาตายก่อนตายความสุขแท้เมื่อสิ้นสุดแห่งความสุขอะไรอะไรในชีวิตสักแต่ว่าเป็นเรื่องของจิตสิ่งเดียวการตั้งจิตไว้ถูกอัตมมายตาทางแห่งพระนิพพานการเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร ความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นหัวใจของพุทธศาสนาทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองศิละปะแห่งการเป็นอยู่ด้วยจิตว่างการฆ่าตัวตายทางวิญญาณผัสสะการออกจากสิ่งที่เป็นทุกข์ การปฏิบัติเพื่อเห็นตะถาตาการมีนิพพานในชีวิตประจำวันอัตตาที่ท่านยังไม่รู้จักและคู่มือมนุษย์ซึ่งเป็นชุดที่มีหลายม้วนนะคะนอกจากนี้ยังฟังเทปของหลวงพ่อปัญญาผู้เป็นสหายของหลวงพ่อพุทธทาสอีกด้วยก็คือเรื่อง การใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อปล่อยวางความคิดสร้างทุกสิ่งให้ชีวิตวิมุตต์คือจุดหมายไายลักษ์หลักพิจารณาเคล็ดลับในการปฏิบัติธรรมมองให้เห็นเป็นธรรมดาเท่านี้ก็ดีแล้วเคล็ดลับของความดับทุกข์แก้ความงมงายให้หายโง่ สู้ต่อไปด้วยใจสงบเย็นอดทนแล้วอยู่ได้สบายดีวันลารู้สึกว่าเสียงเทปหลวงพ่อพุทธธาสขลุ้มขลังดีมีกลิ่นอายของสวนป่าทำให้เห็นภาพสวนโมกขึ้นมาได้ในใจข้อความของท่านต้องขบเคี้ยวเหมือนขบก้อนน้ำแข็งแต่วันลาก็รู้สึกสนุกดี ในการขบเคี้ยวนั้นเหมือนกินแกงเผ็ดน้ำาหนตาไหลแต่ก็ไม่เลิกกินยิ่งกิน ย, ยิ่งอร่อยส่วนเทพหลวงพ่อปัญญาท่านเล่าเรื่องไปเรื่อยๆด้วยเสียงเย็นเหมือนสายน้ำเย็นฉ่ำชื่นใจฟังแล้วสบายใจเพลิดเพลิน เ, เ, เวลารู้ว่ามีรายละเอียดมากมายที่ต้องใช้เวลาค่อยๆศึกษาเหมือนเดินเข้าไปในป่าใหญ่ ยังมีสมุนไพรร า, ากไม้มีสัตว์ใหญ่น้อยมีหน้าผามีน้ำตกต้องใช้เวลาศึกษาต่อไปอีกยาวนานแต่วันนี้นอทีนี้เขากำลังแย่หนักสมองและจิตใจเริ่มนับถอยหลังเขาต้องการจะออกไปจากพันธนาการทั้งมวล น, นี้โดยเร็วดังนั้นวันลาจึงปฏิบัติการเฉพาะกิจเขาเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อพุทธทาสสอนในเทป และลงมือทําตามทันทีอย่างไม่โมวแต่ตั้งข้อสงสัยให้เนิ่นช้าตรงนี้ก็เป็นรูปเด็กหญิงขวัญกำลังฝึกวิทยายุทธนะคะยิ้มไปด้วยทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองทำงานวางแผนให้ดีที่สุด คิดให้รอบครอบแล้วทําไปตามแผนงานแต่เลิกวิตกจริตฟุ้งซ่านล่วงหน้าจนเป็นบ้าเป็นหลังถ้าอะไรมันจะเกิดเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะทุกอย่างอ่ะมันไม่เที่ยงไม่ต้องยึดไว้หรอกไม่ให้มันไม่เที่ยงอ่ะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ตามมามันเป็นเช่นนั้นเองปล่อยว่าง พอมันเป็นปัญหามาแล้วก็คิดแก้ไปไม่ต้องกลัวปัญหาเพราะเป็นเรื่องธรรมดาของโลกที่จะต้องมีปัญหาไม่มีอะไรที่จะราบลื่นไปชั่วนิ้ันด์ดังนั้นปัญหาจึงไม่ใช่เรื่องสำคัญสำคัญว่าจะแก้ปัญหาอย่างใดแล้วก็แก้ไขไปถ้าโลกนี้ไม่มีปัญหาเอาเสียเลยบางทีคนเราอาจจะเหงาตายนะตรงนี้ก็มีรูปประกอบนะคะ เป็นรูปพระ จ, จันทร์กับดาวกำลังชกมวยกันทะเลาะ ก, กันนะคะเวลาเคยทะเลาะ ก, กับแฟนอย่างไม่ยอมแพ้เจ็บปวดไปด้วยกันทั้งสองคนตอนนี้เวลาไม่ทะเลาะด้วยอดทนฟังให้แฟนพูดไปข้างเดียวแล้วก็มีเมตตาให้กับแฟน เห็นใจในความเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในสังสารวัตนี้ด้วยกันยังจะต้องทุกทนกับโลกนี้อีกมากมายยาวนานแต่ล่า ก, กันไปก็เท่านั้นแหละในที่สุดวันหนึ่งก็ต้องตายจากกันไปไม่มีอะไรเป็นแก่นสารให้ยึดไว้ได้ปล่อยวางจากอัตตาตัวตนของตัวเองที่เคยรู้สึกว่าใครทำผิดใจไม่ได้ต้องทำให้ถูกใจเราทุกอย่างจึงจะพอใจคนอื่นน่ะมีหน้าที่ทาให้เราพอใจ ไม่อย่างนั้นน่ะก็ต้องทะเลาะกันเวนลาอดทนเงียบไปได้สองครั้งแฟนก็เลิกทะเลาะด้วยหลังจากนั้นมาก็เริ่มเห็นใจกันมีเมตตาต่อกันและก็อยู่ร่วมกันด้วยความสุขตรงนี้ก็มีรูปขั้นนะคะเป็นรูปต้นสนต้นเล็กๆ2ต้นกำลังต่อยกัน วันลากับพี่ชายเคยทะเลาะ ก, กันเรื่องที่ดินทั้งสองมีบ้านของตัวเองอยู่แล้วจึงแย่งที่ดินบ้านพ่อแม่ที่ไม่รู้ว่าจะเป็นของใครดีทำให้พี่น้องทะเลาะ ก, กันเองสไปก็เลยพลอยทะเลาะ ก, กันไปด้วยลูกก็เลยพลอยทะเลาะ ก, กันไปด้วยพ่อแม่ก็เสียใจไม่มีความสุขกันทั้งบ้านเลยตอนนี้วันลาเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรจะต้องยึดมั่นถือมั่น ทรัพย์สมบัติแม้จะเอามาได้วันหนึ่งก็ต้องตกไปเป็นของคนอื่นอยู่ดีไม่มีอะไรที่เป็นของเขาจริงบ้านที่เขาอยู่ปัจจุบันเขาก็หามาเองวันนึงก็ตกไปเป็นของลูกแต่ก็ไม่แน่โตขึ้นลูกขว้าอาจจะหาเองภูมิใจที่มีของเขาเองสิ่งที่เขาควรจะให้ลูกก็คือการศึกษาและสอนให้เป็นคนดีมากกว่า เขาไม่อาจจะกำหนดได้ว่าลูกก็จะต้องมารับมรดกบ้านของเขาแม้ว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นก็ตามะนะแต่มันก็ไม่แน่หรอกมันไม่เที่ยงเป็นอนิาจังเขาควรจะคิดล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้าเพื่อลูกก็จริงแต่เขาต้องไม่พวงไปถึงอนาคตว่ามันจะต้องเป็นไปตามแผนที่วางไว้กรรมต่างหากเป็นผู้วางแผนที่แท้จริง เขาบอกพี่ชายว่าถ้าต้องการที่ดินนั้นจริงนะก็ให้เอาไปเถอะทั้งสองก็เลยเลิกทะเลาะ ก, กันสะพ้าก็เลยเลิกทะเลาะ ก, กันด้วยลูกก็เลิกทะเลาะ ก, กันด้วยพ่อแม่ของวันลาก็ดีใจวันลารู้สึกสบายใจที่ชีวิตมีความสุขไม่ต้องทะเลาะ ก, กับใครพระพุทธเจ้าต่ัสว่า โลกทะเลาะกับเราแต่เราไม่ทะเลาะกับโลกเพื่อนบอกว่าการยอมแพ้ทํางไม่เสียที่ดินไปแต่วันลาไม่ได้รู้สึกว่าเขายอมแพ้กลับรู้สึกว่าเขาชนะความโลภของตัวเองได้เขาได้อะไรหลายอย่างได้ครอบครัวที่มีความสุขได้ลดอัตราตัวตนของตัวเองลงได้เป็นคนมีน้ําใจเอื้อเฟื้อพี่น้อง ได้มีเมตตาอยากให้คนอื่นเป็นสุขได้มีกรุณาให้คนอื่นพ้นทุกข์รวมทั้งตัววันลาเองด้วยได้มองเห็นความหลงของตัวเองที่เคยหลงยึดว่าถ้าได้ที่ดินมาแล้วก็จะมีความสุขแต่ตอนนี้เขาพบแล้วว่าไม่ได้ที่ดินมาเนี่ยเขาก็มีความสุขได้ตรงนี้มีลูกขั้นนะคะเป็นรูกดาวกำลังกวาดเครื่องหมายคำถามปัญหาต่างๆก็คือกวาดปัญหาทิ้งไปนะคะ วันลาเคยเครียดกับหนี้สินจำนวนมากไม่เฝ้าแต่คิดวนไปมาว่าเหน็ดเหนื่อยกับการใช้หนี้แล้วก็จะใช้ได้หมดเมื่อไหรน่น้อยิ่งคิดวนก็ยิ่งเหนื่อยแล้วก็เห็นหมดหนทางหลวงพ่อสอนให้ปล่อยวางวันลาก็วางทันทีแต่การวางก็ไม่ใช่วางได้ขาดแบบพระอาลหาันแต่ก็คอยมีสติเมื่อความคิดโผล่เข้ามาก็รู้ทัน เหมือนเมื่อมีใครเอาก้อนหินมาใส่มือเราก็วางเอามาใส่มืออีกเราก็วางอีกเมื่อก่อนพอความคิดเข้ามาก็จะกอดเอาไว้เดี๋ยวนี้เวลาเลิกคิดคิดว่าทำงานใช้นี่ไปหมดเมื่อใดก็เมื่อนั้นแหละวันหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามกฎอนิจจังไม่เที่ยงการค้าอาจจะดีขึ้นหรือมีโอกาสใหม่ๆให้หนี้จบเร็วกว่าที่คิดก็เป็นได้ การมานั่งคิดบนไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเราคงเคยติดหนี้เข้ามาแต่ชาติก่อนก็ใช้คืนเข้าไปกัละกันมันคงจะเป็นกรรมที่เราเคยก่อไว้ตอนนี้เราต้องทำใจยอมรับผลกรรมของเราเองที่เคยทำไว้เมื่อคิดได้ดังนี้ก็ปรงได้สบายใจเดี๋ยวนี้วันลาคิดว่าชื่อของเขา แปลว่าลาจากความทุกข์เขาเริ่มชอบความหมายใหม่ของชื่อของเขาเองมากขึ้นทุกวันก็จบปวดตรงนี้นะคะรูปจบก็เป็นรูปพระจันทร์ดวงใหญ่แล้วก็เด็กหญิงขวัญก็นอนหลับตาปริมอยู่บนพระจันทร์นะคะสบายใจไม่มีความทุกข์อะไร บทต่อไปชื่อหัวข้อว่าไปไม่ถึงพรมลุงตะวัดมีงานยุ่งเป็นยุงตีกันทุกวันเจอหน้าจันเฉยก็จะบ่นให้ฟังถึงความเหน็ดเหนื่อยจันเฉยบอกว่าก็ให้ฝึกธรรมะ ส, สิใจจะได้ไม่รู้สึกยุ่งลุงตะวัดก็สายหน้าเอาไว้กเกษียณก่อนค่อยไปตอนนี้ไปไม่ไหวมันยุ่ง ไม่ว่างเลยจันเฉยตอบว่าอ๋อถ้ากเกษียณแล้วไม่ต้องไปหรอกว่างงานแล้วก็ไม่มีเรื่องยุ่งไม่มีปัญหาแล้วจะไปทาํามอ้าวก็ไปฟังเทศไงไปหลับน่ะสิแก่ป่านนั้นน่ะแล้วจะฟังเทศเอามาใช้อะไรในเมื่อกเกษียณแล้วอะ่ะธรรมาก็เหมือนข้าวนะเอาไว้กินตอนหิวไม่ได้เอาไว้กินตอนนอนลุงตาวัดงงไปหัวเลาะไป พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องจันเฉยจึงบอกว่าธรรมะเป็นข้อคิดข้อแนะเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับเราแล้วทาให้ใจเราเป็นทุกข์ธรรมะช่วยให้หายทุกข์ใจเราทุกข์ใจก็เวลาเราทำงานแก่อยู่กับบ้านน่ะไม่ค่อยทุกข์อะไรหรอกมีแต่ฟุ้งซ่านไปเองฟังเทศก็หลับเพราะแก่ไม่ได้ประโยชน์อะไร <c oughs> ก็ไปทำบุญลุงตวัดหลบซ้าย ทำบุญทำไมไม่ทำตอนนี้ทำตอนนี้ได้ทำมากกว่าทำตอนนู้นตั้งหลายสิบปีไม่กลัวได้บุญน้อยหรอไม่กลัวทำทุกวันเดี๋ยวก็เยอะเองลุงตวัดหลบขวาแต่ถ้าเกิดตายก่อนละ่ะเออเอาไว้ชาติหน้าทำก็ได้จันเฉยหัวเราะกริ้งกับคำตอบนั้นจันเฉยเคยได้ยินคุณอาเล่าให้ฟังว่า คนบางคนไม่ถึงเวลาบางทีแม้แต่เจ้ายังไม่ยอมให้ไหวคิดจะไปไหวเจ้าเดี๋ยวก็มีธุระพออีกวันจะไปก็มีคนมาพาไปที่อื่นอีกวันพยายามจะไปไปถึงเย็นเขาปิดประตูพอดีไม่ได้ไหวเจ้าคนบางคนยังไม่ถึงเวลาฟังธรรมแสดงว่ามีกรรมต้องใช้ต่อไปมีมารมาบังทำสับท่านว่าอย่างนั้นนะคะ เอาหนังสือไปให้อ่านก็เอาไปเลี้ยงปลวกแบบนี้บางทีต้องนึกถึงคำพระท่านว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามการต้องเอาอุเบกขาเข้าคมก็จบตอนนี้นะคะก็ตันจบเป็นรูปหญิงผันกำลังนั่งสมาธิค่ะ บทต่อไปชื่อว่าต่างกรรมต่างวาระดังที่กล่นไว้ในตอนต้นแล้วนะคะว่าทำเหมือนยาในตู้ที่จะต้องเลือกใช้ในวาระที่ต่างกันจุดประสงค์ที่ต่างกันวันนี้ปวดท้องกินยาแก้ปวดท้องวันต่อมาปวดหัวก็กินยาแก้ปวดหัวบางคนอยู่ว่างๆชอบเอายาแก้ปวดท้องมาบดรวมกับยาแก้ปวดหัวแล้วก็นั่งมอง พยายามคิดเพื่อให้ปวดหัวระรวยนั่งมองดูขนมหยิบด้วยสายตาอุเบกขาเมื่อขนมหยิบบอกว่าระรวยสอนอะไรไม่รู้เรื่องเมื่อกี้ก็บอกว่าตัวตนไม่มีมีแต่แค่ธาตุสีตอนนี้ก็มาบอกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนก็ไหนว่าไม่มีตัวตนแล้วจะพึ่งได้ยังไงเล่า มันคนละเรื่องกันรรวยพยายามอธิบายในเวลาที่ขนมหยิบเดือดร้อนน่ะขนมหยิบก็ต้องคิดช่วยเหลือตัวเองก่อนอย่ามัวแต่ไปรอคนอื่นมาช่วยตัวเราเองนั่นแหละจะต้องช่วยตัวเองเป็นที่พึ่งของตัวเองหรืออย่างเวลาไปสอบก็ต้องดูหนังสือเองอ่านเองแล้วก็ไปสอบจะไปหวังพึ่งคนอื่นนะ่ะไม่ได้อันนี้เหมือนยาแก้ปวดท้องใช้กินเวลาปวดท้องเท่านั้น ส่วนเรื่องตัวตนไม่มีมีแต่ธาตุสี่ท่านหมายถึงว่าเราอะประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ได้มีตัวตนแต่เป็นองค์ประกอบของสิ่งที่มารวมกันถ้าเราตายร่างกายเราก็คือดินก็สลายไปน้ำในร่างกายก็เหือดแห้งไปลมหายใจก็ไม่มีไฟคือความร้อนในร่างกายก็ไม่มีเราก็หายไปไม่มีไปด้วย ถ้เาเอาไว้มองชีวิตในมุมกว้างให้รู้จักตัวเองว่าเป็นยังไงจุดประสงค์ก็เพื่อจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นกับตัวเราเนี้ยนักหนาอันนี้เหมือนยากแก้ปวดหัวใช้กินเวลาปวดหัวอย่างเดียวขนมหยิบพยักหน้าหึกหนักแต่ก็ยังหน้างองระรวยจึงบอกว่าถ้าเราจะเปลี่ยนคำว่าตนเป็นที่พึ่งของตนให้ขนมหยิบเอาเป็นว่า ข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้ า, าจะข้อ ย, ยังชั่วขึ้นไหมส่วนอีกแบบที่หลวงพ่อพุทธทาสว่าเลยง่ายๆตัวกูของกูอย่างนี้ขนมหยิบจะได้ไม่งงที่มันเรียกว่าตนเหมือนกันตีหมก็จบบทนี้นะคะตอนจบก็เป็นรูปเด็กหญิงขวัญกำลังนั่งงงมีขวดยาหลายขวดล้อมรอบตัวเลือกไม่ถูกว่าจะกินอะไรดี